ทักแปลว่าผู้กวรแก่ทักกินามาจากคำว่าทักกินาซึ่งตรงกับสันสกฤตว่าทักศินาตามความหมายเดิมในาศาสนาพราหมณ์หมายถึงค่าตอบแทนการประกอบพิธีเฉพาะอย่างยิ่งพิธีบูชายันมีกำหนดไว้ในพระเวทได้แก่ทรัพย์สินเงินทองของใช้เตียงต่างเครื่องนั่งนอนยวดยานธัญญาหารสัตว์เลี้ยงทั้งหลาย เหล่าสาวสวยยุวนาีตลอดจนที่ดินหรือดินแดนบางส่วนในราชอาณาจักรยิ่งเป็นยันพิธีที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเท่าใดทักษิณาก็มีมูลค่ามากมายมหาศาลขึ้นเพียงนั้นเช่นในพิธีอัศวเมตพระราชาจะจัดสรรพระราชาทานทรัพสมบัติที่กวาดเก็บจากดินแดนที่ปราบลงได้ตลอดจนานางสนมกำนันในเป็นทักษิณาให้แก่ผู้ประกอบพิธีทักกินไน หรือผู้ควรแก่ทักสินาในที่นี้ก็คือพวกพรามทั้งหลายเพราะเป็นชนพวกเดียวที่ประกอบยันพิธีได้เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จออกประกาศศาสนาแล้วพระองค์ได้ทรงสอนให้ล้มเลิกพิธีบูชายันทรงนำคำว่ายันและทักกินามาใช้ในความหมายใหม่ยันยอ่อยักษ์มาหานากายย่อหญิงกลายเป็นวิธีบำเพ็ญทานโดยไม่มีการเบียดเบียนคนและสัตว์ส่วนทักกินา หมายถึงสิ่งของที่ควรให้หรือของที่ควรสละเป็นทานหรือสิ่งที่บริจาคให้ด้วยศรัทธาไม่ใช่เป็นค่าตอบแทนหรือของตอบแทนหากจะเรียกว่าเป็นการตอบแทนก็ต้องหมายถึงตอบแทนคุณความดีแต่ควรจะกล่าวว่าของบูชาคุณความดีมากกว่าและทักกีนาในกรณีนี้ก็ไม่ใช่ของเพลิดเพลิงโอลานเลยขอบเขตเป็นเพียงปัจจัยสี่อย่างเรียบเรียบง่าย พอเป็นเครื่องอาศัยที่จาเป็นของชีวิตเท่านั้นทักกินัยหรือผู้ควรแก่ทักกินาในกรณีนี้ก็คือบุคคลที่ได้ฝึกอบรมตนในทางความประพฤติและคุณธรรมต่างๆอย่างเพียบพร้อมกลายเป็นตัวอย่างแห่งชีวิตที่ดีงามและมีความสุขจนกระทั่งว่าแม้เพียงการมีบุคคลเช่นนี้อยู่ในโลกก็เป็นประโยชน์แก่มวลมนุษย์คุ้มค่าอยู่แล้วยิ่งบุคคลเช่นนี้ จาริกเผยแผ่ธรรมด้วยการไปปรากฏตัวแสดงชีวิตแบบอย่างเช่นนั้นให้เห็นกว้างขวางออกไปหรือแสดงคำสอนแนะนำผู้อื่นเพื่อเข้าถึงชีวิตเช่นนั้นด้วยตนเองบ้างก็ยิ่งเป็นประโยชน์ล้ำค่าเกินกว่าราคาของสิ่งตอบแทนใดๆและบุคคลเช่นนี้ย่อมไม่เรียกร้องหรือหวังผลตอบแทนใดๆด้วยอาศัยปัจจัยสี่แต่พอดารงชีวิตอยู่ได้เท่านั้น ของที่ให้เพื่อความบำรงอยู่ของบุคคลเช่นนี้แหละคือทักกินาและบุคคลเช่นนี้ย่อมทำให้ทักกินานั้นมีผลมากเพราะเป็นทักกินาที่ช่วยให้คุณธรรมความดีงามและตัวอย่างที่เป็นอยู่มีอยู่จริงแห่งชีวิตที่มีความสุขยังปรากฏอยู่ในโลกได้และเป็นประโยชน์กว้างขวางออกไปบุคคลเช่นนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้ควรแก่ทักศินา เพราะทำให้ทักษิณามีผลมากและได้ชื่อต่อไปว่าอนุตตรังปุญญะเขตังโลกัสสะเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกเพราะเป็นที่งอกงามขึ้นและกระจรกระจายออกไปแห่งความดีงามต่างๆที่จะทำให้เกิดประโยชน์สุขนานา น, นับประการแก่ชาวโลกทั้งปวงแม้แต่ครูอาจารย์ผู้สอนความรู้สามัญส่วนบุคคลชาวโลกยังมองค่าตอบแทนให้อย่างคุ้มควร แล้วฉะไหนจะมอบเครื่องอาศัยดํารงชีวิตเพียงเล็กน้อยให้แก่ผู้สอนความดีงามหรือทําแก่โลกไม่ได้ยิ่งในสมัยปัจจุบันผู้ที่ทํางานผลิตเพื่อทําลายหรืองานผลิตที่มีค่าเป็นการทําลายไม่ว่าจะทําลายเศรษฐกิจทําลายสภาพธรรมชาติหรือทําลายความดีงามของมนุษยชาติก็ตามเพราะการผลิตตามความหมายที่เข้าใจกันทั่วไปมักเป็นการทําลายไปด้วยพร้อมกันไม่มากก็น้อย ไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งจนพูดได้ว่าการผลิตคือรูปหนึ่งของการทาลายและมีบ่อยครั้งที่ค่าในส่วนที่ถูกทำลายมากกว่าค่าในส่วนที่ผลิตดังนั้นจึงน่าจะถึงเวลามาพิจารณาทบทวนกันใหม่เกี่ยวกับความหมายของการทำงานการใช้แรงงานและการผลิตด้วยทัศนะทางเศรษฐกิจที่กว้างขวางกว่าเดิมในสมัยปัจจุบันผู้ที่ทางานผลิตเพื่อทาลาย หรืองานผลิตที่มีค่าเป็นการทำลายเหล่านี้พากันได้รับการพนอด้วยผลตอบแทนอย่างฟุ้งเฟอ้อเหลือลน้นฉะไหนชาวโลกจะจุนเจือบุคคลผู้รักษาโลกและรักษาความดีงามของโลกด้วยการชะลอการผลิตและชะลอการบริโภคบ้างไม่ได้และถ้าจะเปรียบเทียบกันแล้วทักษินายะบุคคลเหล่านี้ซึ่งเป็นผู้บริโภคเพียงเท่าที่จําเป็นย่อมทําให้เกิดความสิ้นเปลืองแก่โลกเพียงเล็กน้อย เรียกไดว้ว่าเป็นผู้เอาจากโลกแต่น้อยและเป็นผู้ให้แก่โลกอย่างมากมาย